ข้อที่14ท่านบอกว่าอัปมาโทมีความไม่ประมาทคําว่ามีความไม่ประมาทนั้นก็คือมีความไม่ประมาทไม่ละเลยในการเจริญกุศลธรรมอันหาโทษไม่ได้และไม่ปล่อยจิตไปในอารมณ์ทั้งหลายตามอํานาจกิเลสคือคนที่ประมาทนี่คือใครคนที่ประมาทก็คือคนที่ปล่อยใจไปในนิวรณ์ทั้งหลาย อันนั้นก็คือส่งเสริมนิวร์เช่นส่งเสริมการมฉันท่านนิวร์ส่งเสริมพยาบาทนิวร์ส่งเสริมถีนะมิทธะอุทะจักกุขจะและวิจิกิจฉาพวกที่ส่งเสริมนิวรธรรมทั้งหลายพวกนี้ก็เรียกประมาทหรือพวกที่ปล่อยใจไปในความชั่วทางกายวาจาและใจหรือขณะที่ทําความชั่วด้วยกายวาจาใจขณะนั้นก็เรียกว่าประมาทหรือขณะที่ปล่อยใจเพลิดเพลินในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเนี่ยนะเช่นในนิวร์ ให้กามฉันทานิวร์เจริญขึ้นเจริญขึข้นพวกนี้ก็เรียกว่าประมาทส่วนผู้ที่ไม่ประมาทก็คือบอกว่าป้องกันทํายังไงไม่ให้อภุสลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นทํายังไงไม่ให้อภุสุลธรรมเหล่านั้นเจริญขึ้นปรารภศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ร, รักปรารภถึงศีลที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์ภัยบูรยิ่งยิ่งขึ้นไปทําสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วให้ เจริญภัยบูนพอกพูนยิ่งขึ้นไปเจริญสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งแม้แต่ปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะปราลบปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปทำแบบไม่ทอดทุระไม่ทิ้งฉันท้าคือมีถือว่าเป็นทุระเลยคือมองการเจริญกุศลธรรมว่าเป็นทุระที่ต้องทำเป็นกิจที่ต้องทำ และมีใจรักในการเจริญกุศลธรรมนั่นนะมีใจรักในกุศลธรรมนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทใครที่มีลักษณะคุณธรรมเช่นนี้เรียกว่าผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นลักษณะของความไม่ประมาทก็คือการบาปอากุศลออกไปเพิ่มพูนบุญกุศลให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะถ้าย่อลงมาก็คือทำกิจละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญจะละสิ่งที่ควรละได้ก็เนื่องจากรอบรู้ในสิ่งที่ควร ร, รับรู้เพราะรอบรู้ในสิ่งที่ควรรับรู้จึงมีการละสิ่งที่ควรละแล้วเลือกเฟ้นเอาคุณธรรมทั้งหลายจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเองทันเหตุที่ทําให้น่ากราบไหว้ก็คือเนื่องจากว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการละาอากุศลไม่ประมาทในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะ เหตุต่อไปที่ทําให้พระพิโสสัมเนรแม้เป็นปุตุชนควรแก่การกราบไหว้ของพระโสดาบันที่เป็นเครือขัดก็คือท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่สิบห้านะสิกขาสมาทานังมีการถือสมาทานสิกขาสมาทานเนี่ยนะทานนี่แปลว่าให้ใช่ไหมสังตัวนั้นแปลว่าถือกลับมาถือเอาถือเอาแบบถือเอาไม่ใช่ถือเอาธรรมดานะถือเอาจริงๆเลยนะถือเอาเป็นสาระเลยสมาทานถือเอาอาธิศีลสิกขา ที่จิตตศิกขาและอธิปัญญาศิกขาเรียว่าวขวนขวายสแสวงหาศีลอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามรอยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีชื่อพระนามหนึ่งก็คือพระมเหสีเจ้าพระมเหสีแปลว่าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่สแสวงหาศีลขันอันใหญ่สแสวงหาสมาธิขันอันใหญ่สแสวงหาวิมุติขันอันใหญ่ แสวงหาวิมุตติญาณทัศนขันอันใหญ่ฉันใดสาวกของพระองค์ก็แสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเช่นนั้นเนี่ยนะแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แสวงหาสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรียภะละโพชงองค์มัชมัชผลนิพพานฉันใดสาวกของพระองค์ทั้งหลายก็เป็นผู้ที่แสวงหาสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรียภะละโพชงองมัชฉันนั้นเนี่ยนะ พันผู้ที่ปรารบสมาทานถือเอาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาระเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุให้หน้ากราบหน้าไหว้เพราะพระพิสุสั ม, มเณีทั้งหลายเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้ามาสมาทานรับมรดกรับมรดกทางธรรมรับมรดกทางธรรมอย่างเช่นเป็นผู้ที่เข้าเรียกว่าเข้ามาบอกว่าจะขอมารับธรรมธายาตเนี่ยนะคือต้องการความเป็นธรรมธายาจาก พระพุทธเจ้าเนี่ยทายาททางธรรมของพระพุทธเจ้าเนื่องจากพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาพิสุสัมมาเนเนที่ประพฤติบวชเข้ามาก็คือบวชเข้ามาสมาทานมายึดถือเอาศีลสมาธิปัญญาที่เป็นนิยานิคธรรมเป็นกุศลธรรมที่นําออกจากทุกผล เ, ะะเหตุที่ทําให้หน้ากราบไหวก็เนื่องจากท่านถือเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญานั่นเองนี่ต่อไปสิบ เหตุที่ทําให้พระพิสุทธิสมเนร น, น่ากราบไหว้ก็คืออุเทโซท่านมีการเรียนอุเทศอุเทศก็คือปอุเทศหมายถึงพระไตรปิฎกนั่นเองนะมีการเรียนพระไตรปิฎกมีการทรงจําอุเทศบางทีก็แปลว่าหัวข้อเช่นภิกขุปาติโมกุเทศนะนะทรงจําภิกขุปาติโมกหรือว่าทรงจํา พระธรรมวินัยมาติกาทั้งหลายก็คือเรียนเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนบาลีในพระพุทธพจน์ก็คือเรียนพระไตรปิฎกทั้งหลายเนี่ยนะเช่นอย่างน้อยที่สุดบวชเข้ามาก็ต้องเรียนนโมก่อนใช่ไหมนโมตัสสะเรียนอิติปิโสเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นหัวข้อธรรมะทั้งนั้นนะนะเรียนพระสูตรอย่างมงคลสูตรรัตนาสูตรเมตตาสูตร หรือแม้กระทั่งอาตานาติยสูตรถึงจะโดยย่ อ, อ ก, ก็ยังดีท่านก็เรียนทั้งพระสูตรหลายๆสูตรโพชงคับปริษ น, นะโมระปริษทชกขสูตรเป็นต้นก็คือมีการเรียนอย่างน้อยก็เรียนสิ่งเหล่านี้ถ้ากว้างขวางกว่านั้นก็เรียนพระวินยัยเรียนพระสูตรเรียนพระอริธรรมถ้าลงรายละเอียดบางท่านก็เรียนทีคนิกายมาชิมนิกายสังยุตตอังคุตหรือคุตกานิกายบางท่านก็เรียนธรรมสังคีนีวิพังท่าตุกถาปุคละบัญญัติยมะกะเป็นต้นเนะ เนื่องจากว่าท่านศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเหตุให้หน้าเคารพหน้ากราบไหว้เนี่ยน ะ, ะเพราะเรียกว่าเป็น อ, อย่างองค์กรใดที่มีการเรียนพระธรรมคําสอนองค์กรนั้นก็เป็นองค์กรที่น่าสนับสนุนใช่ไหมอันนึงผู้ที่เรียนพระธรรมคําสอนจึงเป็นคนที่หน้ากราบหน้าไหว้เนี่ยนะเป็นคนที่หน้าเคารพหน้ายำเกรงหน้ากราบหน้าไหว้อย่างอย่างเช่นในบ้านเราเนี่ยนะ คนใดที่มีธรรมะอยู่ในใจมีการทรงจำคำสอนโดยปกติทั่วไปก็เป็นคนที่ควรแก่การกราบไหวอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสรฐิฐหาคำสอนใดที่จะเสมอเช่นนี้ไม่ได้แล้วผู้ใดที่มีคำสอนเหล่านี้ผู้นั้นก็ควรแก่การกราบและการไหว้ส่วนข้อต่อไปเนี่ยนะ 17, ท่านบอกว่าพิสุสัมเณีควรแก่การกราบไหว้ก็เพราะมีปริปุชามอ่าปริปุชามหมายการถึงปรารถนาเพื่อจะรู้โดยรอบเ่บานั้นปริปแปล ว, ว่ารอบปุชาถามก็คือการถามเพื่อความปรารถนาจะรู้โดยรอบ ก็คื อ, อไหลเรียนพุทธพจน์เลยแต่ละคำเช่นอรหังมีความหมายอย่างไรมีเนื้อความแค่ไหนลึกซึ้งขนาดไหนอนนะัคขอบเขตเป็นอย่างไรสัมมาสัมพุทโธแปลว่าอะไรมีความหมายกว้างขวางอย่างไรวิ ช, ชาจารณะสัมปันโนวิ ช, ชามีเท่าไหร่อะไรบ้างแต่ละอย่างมีรายละเอียดเนื้อหาอย่างไรเนี่ยนะจรณะมีสิบห้าสิบห้าอย่างมีอะไรบ้างแต่ละอย่างขอบเขตกว้างขวา ง, ข, วางขนาดไหนเป็นต้นการเรียนเพื่อปรับความรู้ปรับความเข้าใจเป็นอย่างดี ผู้ที่เรียนรู้สอบถามปรับความรู้ความเข้าใจอย่างดีขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ควรกราบไหว้เนี่ยควรกราบการไหว้พันภิกสุสั ม, มเณีถ้าบวชเข้ามาโดยชอบตามคําสอนท่านเหล่านี้ก็มาเรียนทั้งอุเทศและปริปุชามีการเรียนพระธรรมคําสอนปรารถนาเพื่อจะรอบรู้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่รอบรู้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นคนที่ควรกราบไหว้ลุกรับเป็นต้น ข้อสิเนี่ยนะเหตุที่ทําให้หน่ากราบไหว้ก็คือศีลาร์ทิอภิรติอภิรตินี่แปลว่ายินดีอย่างยิ่งศีลาร์ทิศีลเป็นต้นนั่นเองก็คือยินดีในคุณธรรมทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเขาบอกว่ายินดีในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายเนี่ยนะคือแบ่งออกเป็นสองอย่างเนี่ยนะพระพิสุสัมเณธที่น่ากราบไหว้แบ่งคําว่ายินดีในบุคคลผู้คุณมีศีลทั้งหลาย และยินดีในคุณธรรมซึ่งศีลเป็นต้นตรงนี้ก็บอกว่ายินดีในศีลเป็นต้นก็คือยินดีในผู้มีศีลทั้งหลายนะเพราะว่าพิสูจสา ม, มเณรที่บวชมาประพฤติปฏิบัติโดยชอบก็น้อมไปเพื่อจะเคารพบูชาผู้ที่มีศีลยิ่งกว่าเข้าไปใกล้ผู้มีศีลเนีย่ยนะนั่งใกล้เงียโสดลงฟังคือคบหาแต่กาลยานามิตรนั่นเองอที่ตัวเองไปคบหากาลยานามิตรเพราะต้องการประโยชน์เนีย่ยนะ อย่างที่ในเมคยะสูตรเนี่ยน ะ, ะธรรมะหประการที่เป็นเครื่องบ่มมิมตห้ประการเป็นชนยหนึ่งเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยปาติโมกเป็นต้นสองเป็นคนที่ได้ได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งกระถาวถัตถุแล้วก็เป็นผู้ที่ปรารบความเพียรเพื่อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นต้นแล้วก็ต่อไปอะนะปรารบปัญญาขาไปข้อนึง ข้อแรกนะคบกัลยาณมิตรเนี่ยนะคบกัลยาณมิตรขอ 2, ้ขอสองศีลข้อสปรารบความเพียรได้กระทาวัตถุข้อสี่ปรารบความเพียรสุดท้ายมีปัญญาทีนี้ผู้ที่จะได้ศีลสมาศีลได้กระทาวัตถุสิบมีความเพียรมีปัญญาก็ได้มาจากกัลยาณมิตรนั้นถ้าท่านต้องการศีลสมาธิปัญญาก็สแสวงหา กัลยาณมิตรเนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่ใฝ่าหาเคารพ บ, บูชากัลยาณมิตรเข้าไปนั่งใกล้งเงี่ยโสดลงฟังสอบถามเรียนรู้ในกัลยาณมิตรทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเหตุให้ท่านเป็นผู้ที่น่ากราบหน้าไหว้หน่าลุกรับน่าสรรเสริญน้าบูชาเป็นต้นนั่นเอง19บเนี่ยนะเหตุที่ทําให้หน่ากราบไหว้ก็คือเป็นผู้ที่ นิราลยตาเนี่ยนะแปลภาษาไทยว่านิอะไรอ่ะนะแปลว่าไม่มีอะไรของกันอารยตาก็คือมีอะไรใช่ไหมนินําหน้าบอกไร้ความอะไรมาเงินอะไรนี่โดยศับเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยนะเป็นชื่อของความห่วงใยผูกพันแปลภาษาหนึ่งคือความรักอาศัยกามนะความรักที่อาศัยรูปความรักอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยโพธาภา อาศัยธรรมอารมณ์ทั้งหลายเรียกว่ามีความอะไรเนีนะอะไรในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดการที่อะไรอาวุนในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำนกนนรมรนหกำนัดเรียกว่ามีอะไรแต่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่อะไรในรูปเสียงเกลื่อนรถโรพธาภะด้วยอํานาจสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะเทวะละความอะไรด้วยทางข้าประหารคือวิปัสสนาทั้งหลาย น, นะหรือด้วยอํานาจวิขำพนะประหารท่ายาง ละความอะไรด้วยแต่ทางข้าประหารก็คือละสกายติฐิด้วยการกําหนดนามรูปเนี่ยนะที่เรณาสังขารทั้งหลายอันละความสงสัยในการสามด้วยการกําหนดปัจจัยทั้งหลายเป็นต้นหรือละกามฉันทะด้วยเนคคำละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทละทีนามิทะด้วยอโลกะสัญญาละวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมเนี่ยนะละอารติด้วยปราโมทแล้วก็ละอวิชาด้วยญาณะทั้งหลาย นั้นคุณธรรมที่เข้าไปตัดเนี่ยนะเนื่องจากว่าท่านมีสมถาวิปัสนาเป็นเครื่องเพิกถอนอะไรเป็นเครื่องตัดอะไรท่านจึงอยู่โดยไม่มีความอะไรเรียกว่าเป็นผู้ที่ปราศจากความอะไรแต่ถ้ายังละอะไรไม่ได้เขาก็ตําหนิกันอีกก็มีอยู่เรื่องหนึ่งซ้ำบ้าไงไหมอ๋อละอะไรด้วยอะไรก็ไปดูที่อื่นก่อนก็แล้วกัน พูดถึงอย่างในคำพีเนี่ยนะ ท, ที่กล่าวถึงถ้าหากว่ายังตัดความอะไรไม่ได้เนี่ยนะถ้ายังตัดความอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งแห่งการคอรหาเส่นกันแล้วกันครามีอยู่ครั้งเรื่องหนึ่งครับกุมารากัสปะนี่แหละนะพอภิกษุณีเนี่ยนะคือตัวเองเนี่ยเข้ามาบวชโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งท้องก็เข้ามาบวชพอบวชมาแล้วก็ท้องก็โตขึ้นโตขึ้นในที่สุดก็คลอดในเพศภิกษุนีเนี่ยนะ แต่ก็วิจัยกันแล้วว่าท่านไม่ได้เป็นประราชิกเพราะว่าท้องก่อนบวชเสร็จแล้วก็เอ๊ะทำไงดีอะ่ะเพราะว่าแมเป็นภิกษุณีแนละ้วมาเลี้ยงลูกแม่ลูกอ่อนนะจะจ ะ, จะดียังไงพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลยอาสารับไปเลี้ยงก็เลยเรียกว่ากุ ม, มารกัสปะก็คือเป็นเด็กที่พระเจ้าปเสนที่โกศเลี้ยงเอาไว้ในพระราชวังเลี้ยงจนเจริญเติบโตแล้วก็รู้ความเป็นไปทั้งหมดในที่สุดท่านก็อยากบวชท่านก็ออกบวชออกบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหรันต์ ทีนี้ฝ่ายแม่ที่เป็นภิกษุณีเนี่ยนะไอตอนแรกนี่ใจอยากบวชมากมากนะนะพอบวชเข้ามาแล้วพอตัวเองมีลูกเพราะฉะนั้นพอลูกคนอื่นเอาไปเลี้ยงแค่นั้นนะคิดถึงลูกทุกวันเลยเขาบอกว่าน้ำนมเนี่ยไหลทุกวันเลยเพราคิดถึงลูกในที่สุดนะนะลูกก็จะไปเยี่ยมแม่บ้างเป็นพระอรหันต์แล้วนี่จะไปเยี่ยมดูแม่หน่อยไปถึงก็แม่นี่น้ําตาปริ่ยวิ่งเขาเรียกว่าแทบปรี่เข้ามาเลยแทบจะวิ่งเข้ามาหาลูกเลยนะ ก็เลยคิดในใจบอกแม่เรานะถ้าเราพูดดีๆนะไม่ได้บรรลุรสชาตินี้เพราะงั้นเราจะพูดให้นี่เลยให้ตัดเยื่อใยไปเลยเขาบอกว่าก็มากราบแล้วก็มาร้องให้บอกว่าเอา้าวมัวทําอะไรอยู่ตั้งนานแล้วความรักลูกแค่นี้ยังทําไม่ได้เพราะงั้นบวชมาตั้งนานแล้วความรักลูกแค่นี้ยังตัดไม่ได้เพราะงั้น บอกโอ้ยลูกเราไม่อะไรเอาวอเลยนะเช็ดน้ําตาเสร็จก็กราบลาแล้วเขาได้ไปเจริญสมถะพิปัสนาบรรลุเป็นผ้าอาหารเนี่ยนะบางทีถ้าพูดกันดีๆไม่ค่อยจะรู้เรื่องไงก็บอกตรงว่าเนะ่ะบวชมาตั้งนานแล้วความรักลูกแค่นี้ก็ยังตัดไม่ได้เหมือนกันบอกโอ้ยลูกเราทำไมหยาบจังครับว่างั้นแขนลูกมากเลยคือหมายความว่านึกว่าเขาจะมีอะไรกับเราบ้างที่ไหนได้เรารักข้างเดียวเ อ, อตัดใจซะเถอะเนี่ยนะก็เลยเจริญสมถะพิปัสนาบรรลุเลย นั้นอันหนึ่งที่ทําให้หน่าเคารพกราบไหว้ก็คือเป็นผู้ไม่มีอะไรเนี่ยนะความเป็นผู้ไม่มีอะไรนั้นจึงเป็นก็อย่างว่าคนที่อะไรอาวุเนี่ยนะสมมติว่าเราเข้าไปหาพระเนี่ยนะพระที่มีข้าวของเต็มไปหมดเลยกับแบบอยู่แบบห้องว่างๆเนี่ยถามสองรูปนี่ใครน่ากราบกว่ากัน น, นะกันรู้อยู่แล้วว่าใครที่มีข้าวมีของเก็บแม้กระทั่งเก็บซะจนขึ้นราไปหมดผุพังไปหมด จะจนไม่รู้ว่าหนูเข้ามาอยู่เต็มกุฏิแมวหมาเป็นต้นเต็มกุฏิทำมจะไปหน้ากราบตรงไหนก็ว่างั้นก้มลงกราบพื้นก็เหม็นเหลือเกินก็ว่างั้นแล้วก็เลยบอกว่าที่พระพิสุสัมมณหน้ากราบหน้าไหวก็เหตุผล ห, หนึ่งก็คือความเป็นผู้ไม่มีอะไรต่อไปข้อที่ยี่สิบเนี่ยนะก็คือสิกขาปะละปาริปุริตาเป็นผู้ทําสิกขาให้บริบูรณ์เนี่ยนะทำสิกขาบทให้บริบูรณ์อธิบายว่า ทำสิกขาบทให้บริบูรณ์คือทำสิกขาน้อยสิกขาใหญ่ทั้งหลายที่ทรงบัญญัติให้เต็มให้บริบูรณ์อยู่เสมอเนี่ยนะเช่นสิกขาบทเล็กสิกขาบทใหญ่ไม่ว่าจะในอาบัตทั้งหลายไม่ว่าอาบัตปาราชิกสังขารทิเศธทูลใจปฏิเดศนิยะทุกกฎทุกภาษิตราชิติเป็นต้นท่านก็ประพฤติไม่ให้มีความหม่นมองและขุนมัวข้อไหนขาดก็มีการสมาทานประพฤติถือเอาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะคือ ไม่มีการต้องอาบัตหรือเมื่อต้องอาบัตก็ปลงอาบัตเป็นผู้ไม่มีอาบัตติดตัวหากสงสัยในอาบัตเป็นต้นก็สอบถามในผู้ทร ง, งทรงธรรมทรงวินัยเข้าใจในพระวินัยเป็นอย่างดีเพื่อตัวเองจะได้รักษาตัวให้ปลอดจากอาบัตถึงไม่ใช่ว่าไม่ไม่เคยเป็นแต่เป็นแล้วก็ทำคืนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีศี ข, ขาบทบริบูรณ์ดารงอยู่ในศี ข, ขาบทตามที่ พระพุทธเจ้าเพาะเมื่อพิจารณาใคร่ครวญในความเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศิกขาบทตัวเองก็ตําหนิตัวเองในเรื่องสิกขาบทไม่ได้วินยูชนทั้งหลายพิจารณาเอาศิกขาบทพระวินัยบัญญัติมาพิจารณาใคร่ครวญโดยรอบครอบแล้วก็ตําหนตในการล่วงละเมิดศิกขาบทไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้มีศิกขาบทบริบูรณ์แล้วก็ที่สําคัญต่อไปอันนี้ด้วยเพศนะสองข้อยี่สิบอ็ดยิบสองนี่เขาเรียกว่าเหตุที่ พระโสดาบันบุคคลที่เป็นครือข่ายยังครารพภิกสุสัมมเนณนแม้แต่เป็นปุตุชนก็เนื่องจากว่าพิสุสัมมเนนเหล่านั้นท่านทรงผ้ากาสาวพัดผ้ากาสาวพั์นี่เขาเรียกว่าผ้าย้อมน้ําฝาดผ้าย้อมน้ําฝาดเนี่ยนะเช่นสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแบบอะไรนะก็คือถ้ามีน้ําย้อมนะไม่ใช่ไม่มีร้านขายน้ําย้อมอยู่แล้วก็โดยมากก็ไปทําอะไรก็เอาพวกต้นไม้ที่มีฝาดเช่นใบไม้ฝาดฝาดทั้งหลายมาต้มย้อมผ้า เช่นเอาพวกใบฝรัง่งใบใบใบไซใบอะไรเนี่ยมาต้มย้อมผ้ากับใบไม้กลุ่มฝาดกลุ่มที่มันมีฝาดมันก็สีเยอะหน่อยนะมันก็มีสีเยอะแล้วก็มาต้มย้อมน้ําฝาดไอ้น้ำฝาดเนี่ยเรียกว่าผ้ากาสาวะผ้าที่ย้อมด้วยน้ําฝาดไม่ว่าจะเอาจากกิ่งจากต้นจากใบเป็นต้นบางสมัยก็นิยมเอาเช่นแก่นขนุนเนี่ยมาต้มมาย้อมเป็นต้นก็คือพวกกลุ่มน้ําฝาดไม่ว่าจากเปลือกจากกิง่งจากใบจากอะไรก็มาย้อมได้เนี่ยนะแต่ว่าห้ามบางสีเท่านั้นเอง มันยอมออกมาเช่นไม่ดำปีเลยไม่แดงแจไปเลยเป็นตัวเขาจะมีสีที่ที่กําหนดไว้ในพระวินัยเนื่องจากท่าน ท, านทรงผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นผ้าธงชัยของพผ้ารหัารทั้งหลายเพราะพผ้ารหารทั้งหลายที่จะมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปก็พระทรงผ้ากาสาวพัดเนี่ยนะผ้ารหารทั้งหลายถ้าหากว่าบรรลุปเป็นพผ้ารหารไม่ยอมทรงผ้ากาสาวพัดอยู่ได้ไม่นานต้องตายภายในวันนั้นเพราะฉะนั้นพระพิสุสมนนามมณงน้อยท่านก็ทรงผ้าย้อมน้ําฝาด ที่เป็นธงชัยของพระ่าหาันเพราะฉะนั้นท่านจึงควรแก่การกราบการไหว่อย่างในชาดกใช่ไหมชาดกอยู่เรื่องหนึ่งที่พระเทวทัศน์เนี่ยจะฆ่าช้างทํำยังไงก็คือช้างเนี่ยช้างฝูงนี้มีพระช้างพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าพอเห็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้าช้างจะมานอบน้อมมานอบน้อมพระประเจกไอในพรานนี่ก็คิดว่าเออพวกช้างพวกนี้มันเครารพพระไเหรอ ก็เลยไปเอาผ้าไปแอบขโมยผ้าผ้าประเจกมาคลุมตัวแล้วก็ใช้หอกฆ่าช้างเนี่ยนะในที่สุดก็บอกช้างบริวานี่มันลดลงที่แรกพระโพธิสัตว์รู้แล้วก็จะฆ่าพรานคนนั้นทิ้งเราบอกไม่ฆ่าเพราะว่าเขาส่งน้ำอา่าส่งส่งไว้ซึ่งผ้าคือผ้าย้อมน้ำฝาตของผ้าอรหันต์ทั้งหลายก็เลยแนะนสาสั่งสอนว่าอย่าได้ทำอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยนะเป็นการที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งพราน ก็เนื่องจากว่าทรงธงชัยเรียกว่าทรงไว้ซึ่งผืนผ้าของผ้ารหารทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเหตุให้กราบว่างั้นธงผ้าของพผ้ารหารทั้งหลายก็มีบางแห่งในอัปทานบอกว่าไปเห็นผ้าของผ้าผ้าย้อมน้ําฝาดอยู่บางที่แล้วระลึกถึงผ้ารหารทั้งหลายว่าพผ้ารหารเนี่ยท่านทรงผ้าแบบนี้ก็เลยกราบไหว้บูชาอันนั้นก็เป็นเหตุให้ท่านบรรลุมรรคผลในตอนหลังได้เพราะน้อมว่าผ้านี้เคยเป็นเครื่องทรงของผ้ารหารทั้งหลาย เป็นเครื่องทรงของผู้ที่ละกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเจริญในสิ่งที่ควรจเจริญพูดง่ายก็คือว่าพูดให้ง่ายนะก็คือเป็นผ้าที่เคยหุ้มตัวของผู้ที่เห็นอริยสัจเป็นผ้าที่หุ้มตัวของผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจบรรผูใดที่หุ้มด้วยผ้าอย่างนี้จึงควรแก่กราบไหว้ ผูการธนัตใช้คาว่าอย่างไงนะบอกจะเป็นใครมาจากไหนก็ช่างถ้ามาทรงผ้าย้อมน้ำฝาดพระพุทธเจ้า ก, กราบได้ทั้งนั้นแหละของนั้นกราบกราบที่ไหนกราบที่เครื่องทรงบอกว่าเพราะเป็นเครื่องทรงของพระพุทธเจ้านะพูดอย่างนี้อธิบายเข้าใจทันทีเลยนะผูก้การนะอย่างนัน้แล้วก็อันสุดท้ายนะี่ก็ปันโุภาโวนเนี่ยนะปันโดภาโวก็คือหัวโลนเนี่ยนะเหตุ <c oughs> ที่น่ากราบเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านมีศีรษะโลนเพราะปลงผมไม่ใช่มีศีรษะโลนสักด์แต่ว่า ไม่มีผมหรือหัวล้านเปล่าๆไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะหรือแบบลัที่อื่นๆเนี่ยนะแบบลัที่เดรัจฉีภายนอกเุที่ท่านเป็นผู้ปรงผมก็ควรแก่การกราบการไหว้เนี่ยนะคนเนี่ยนะถ้าแมมเอาผมออกไปเนี่ยความความงามกับความหล่อ น, นี่ลดไปเยอะเหมือนกันนะเพราะนั้นการที่ผู้ที่รับตัดความเยื่อใยในการแต่งตัวประดับผมเป็นต้นจึงควรแก่การกราบการไหว้ ขอถวายพระพรมหาบาพิธธรรมะเครื่องสร้างความเป็นสมณะเนี่ยนะคือธรรมะทั้ง22ข้อเราเนี่ยสร้างความเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเนี่ย น, น, นะธรรมะเหล่านี้นะทั้ง22อย่างนี้แลพิกษุย่อมสมาทานประพฤติคุณธรรมเหล่านี้พิกษุนั้นเพราะความที่มีธรรมะนั้นไม่บกพร่องทว่าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยเต็มถึงพร้อมเพียบพร้อม ความที่คุณธรรมทั้งยีิบสองข้อเพียบพร้อมจึงก้าวลงสู่อเศสขภูมิอเศสขะภูมิคือภูมิของผู้สําเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยนะสำเร็จการศึกษาในอธิศีลปศิขาที่จิตสิขาอธิปัญญาศิกขาเข้าถึงอรหันตผลภูมิก้าวลงสู่ลำดับภูมิอันประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ไปสู่ที่ใกล้ความเป็นพระอรหันตเรียกว่าเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความเป็น พระอาหารหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นอุบาสกผู้เป็นโสดาบันจึงสมควรกราบไหว้ลุกรับภิกษุสมณีนผู้เป็นปุถุชนนะนะอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันควรจะกราบไหว้ลุกรับภิกษุผู้เป็นปุถุชนด้วยคิดว่า น, นะสมมติถ้าใครแม้กระทั่งว่าบางคนเนี่ยมัยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่ยกมือไหว้พระไม่เป็นเลยเนี่ยนะก็เอามาคิดแบบนี้ก็ได้บอกว่า คิดว่าท่านผู้นั้นเข้าถึงความเป็นผู้เสมอเหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายแต่เราไม่มีโอกาสน่นนะคือโดยเพศของท่านเนี่ยนะท่านสามารถเป็นพระอรหันต์ได้ก็แล้วกันนะคือถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อใดท่านเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นครึ่งห่เราไม่มีโอกาสเป็นเช่นนั้นได้ท่นก็ขอนอบน้อมแด่ผู้ที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะเป็นพระอรหรันต์เนี่ยเนื่องจาในฐานะท่านมีโอกาสเนี่ยนะคิดแบบอาจารย์เกตกได้อาจารยเกตว่างไงนะ ข้านุมโมธนานท่านที่ท่านได้เป็นเพศบริสอะไรนะมีเพศบริสุทธิ์เนี่ยนะเป็นผู้มีศีลรักศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาก็นึกไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันถ้าอย่างงี้ใจก็เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะนี่ต่อไปบอกว่าอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบานันควรจะกราบไหว้ลุกรับภิกษุปุถุชนด้วยคิดว่าท่านผู้นั้นเข้าถึงความเป็นยอดบริสักแต่เราไม่ใช่ผู้เข้าถึงฐานะนั้น นะเพราะในบริษัทสีเนี่ยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเรายังเป็นแค่อุบาสกอุบาสิกายังไม่เข้าถึงภาวะที่ประเสริฐสุดะะนั้นก็ขอนอบน้อมแก่คนที่เข้าถึงภาวะที่ประเสริฐสุดใช่ไหมอย่างเช่นในกลุ่มคารวะทั้งหลายเนี่ยเขาก็นับถือกันตามวรนนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเป็นต้นมันกษัตริย์เนี่ยนะคนที่อยู่วรนนะกษัตริย์แม้แต่อายุน้อยเนี่ยนะคนที่ยุคอยู่วรรณะระดับล่างๆเนี่ยแม้แต่ว่าอายุมากแล้วก็ยังเคารพผู้ที่มี อายุน้อยแต่วันนะสูงฉันนั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าเคารพกันตามวันณะเขาวางนันต่อไปบอกว่าอุบาสกผู้เป็นโสดาบันควรจะกราบไหว้ลุกรับภิกษุผู้เป็นปุถุชนด้วยคิดว่าท่านผู้นั้นได้ฟังปาติโมกขุเทศเราไม่ได้ฟังปาติโมกขุเทศคือท่านเหล่านั้นทุกๆสิบห้าวันท่านฟังเอ่อปาติโมกเนี่ยนะฟังศีลเขารียกว่าฟังหัวข้อแห่งศีลตั้งสองอยิบเจดทุกๆสิบห้าวัน แต่เราไม่มีโอกาสทำแบบนั้นเลยเราไม่มีโอกาสมานั่งทบทวนสิกขาบท227ทุกๆ15วันเลยต่อไปอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันควรจะกราบไหว้ลุกรับภิกษุปุุชนด้วยคิดว่าท่านผู้นั้นให้บุคคลอื่นบนรรพชาอุปสมบทก็ได้ทำพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าให้เจริญก็ได้กิจที่ว่ามานี้เราทำไม่ได้ นนะเพราะว่าในฐานะพระพิสุทฆทั้งหลายเนี่ยนะท่านให้ผู้อื่นบวชได้ท่านท่านคารวท่านให้กำเนิดคาราวะเป็นพระพิสุเป็นพระภิสุเป็นสัมมนเนได้อย่างหนึ่งและท่านทาศาสนาธรรมที่ศีลสิะศึกษาที่จิตศิกษาที่ปัญญาศิกษาของพระพุทธเจ้าให้เจริญขึ้นโดยการปฏิบัติด้วยตนเองม้างด้วยการแนะนาให้ผู้อื่น ปฏิบัติในสิกขาเนี่ยนะในพระศาสนาที่ประกาศถึงสิกขาสท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในสิกขาด้วยแล้วก็ชักนำให้ผู้อื่นปฏิบัติในสิกขาด้วยเพราะฉะนั้นเราทํากิจเหล่านั้นได้ยากเนี่ยนะก็เลยต้องกราบสมควรที่เราจะกราบไหว้ท่านอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันควรจะกราบไหว้ลุกรับภิกษุปุชนด้วยคิดว่า ท่านเป็นผู้มีปกติทําให้เพียบพร้อมในสิกขาบททั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้สิกขาบททั้งหลายเนี่ยนะพระวินัยบัญญัติของพระภิกษุเนี่ยจริงๆแล้วหาประมาณไม่ได้น ะ, นะมีตัวเลขโอ้หลายหลักเกินเจ็ดหลักน ะ, ะจริงๆแล้วเกินเจ็ดหลักในสิกขาบททั้งหลายเนี่ยนะถ้าถ้าเรียกว่าถ้ามีการกระจายเนี่ยอธิบายแบบกระจายเนี่ยสิกขาบทของพระภิกษุนี่เยอะมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประพฤติในสิกขาบทเหล่านั้น อีกอันหนึ่งบอกอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันควรจะกราบว่าให้ลุกรับภิกษุปุตุชนด้วยคิดว่าท่านผู้นั้นเข้าถึงเพศสมณะนะเพศของพระอริยนั่นเอ ง, องนะสมมณะก็คือเพศของผู้สงบจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายดํารงอยู่ในฐานะที่พระพุทธเจ้าประสงค์เราห่างไกลาจากเพศนั้นเราห่างไกลาจากเพศที่พระพุทธเจ้า ประสงค์เนี่ยนะประสงค์อะไรพระองค์จึงเรียกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเนี่ยนะแสดงว่าพระองค์ประสงค์พระองค์จึงเรียกเข้ามาบวชแสดงว่าเพศนี้พระองค์ประสงค์เพราะฉะนั้นเรานี่เข้าถึงเพศเหล่านั้นไม่ได้ควรที่จะกราบไหว้ผู้ที่เข้าถึงเพศเหล่านั้นอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันควรจะกราบไหว้ลุกรับภิกษุผู้เป็นปุถุชนด้วยคิดว่าท่านผู้นั้นไม่ปล่อยขนรักแร้ยาวรุงรังไม่หยอดตาไม่ประดับประดาร่างกาย นะร่างกายของท่านท่านไม่ได้รูปลายด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นแต่ท่านรูปลายด้วยกลิ่นศีลส่วนเรายังยินดีในการประดับประดาและตกแต่งก่าจะแต่งตัวแมวันหนึ่งดูกระจกตั้งหลายครั้งเนี่ยนะเพื่อจะได้เห็นหน้าแล้วก็แตง่งแต่งอยู่นั่นนะขอถวายพระพรยังมีอีกอย่างหนึ่งอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบานันควรจะกราบไหว้ลูกครับภิกษุผู้เป็นปุถุชนด้วยคิดว่าธรรมะเครื่องความเป็นสมณนะ นนะธรรมะสร้างความเป็นสมณะ20อย่างและเพศ2อย่างเหล่าใดธรรมะทั้งหมดนี้ย่อมมีแก่ภิกษุก็พระภิกษุนั้นทรงทำเหล่านั้นไว้ได้คือทรงคุณธรรมเหล่านั้นเอาไว้ทั้งยังให้ผู้อื่นได้ศึกษาในคุณธรรมทั้ง22ข้อเหล่านั้นแต่เราไม่มีความรู้และการศึกษาใน22อย่างที่กล่าวไปแล้วเลย ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าราชกุมารทรงเรียนวิชาทรงศึกษาขัตติยธรรมในสำนักของปุโรหิตในสมัยต่อมาพระราชกุมารแม้ทรงได้รับอภิเสกแล้วก็ยังต้องกราบไหว้ลุกรับอาจารย์ด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ให้เราได้ศึกษาดังนี้ฉันใดอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบานันก็ควรกราบไหว้ลุกรับภิกษุผู้เป็นปุถุชนด้วยคิดว่าพระภิกษุเป็นผู้ให้คนทั้งหลายได้ศึกษา ทรงไว้ซึ่งวงของพระศาสนาฉันนั้น น, นะเพราะว่าอุบาสกที่เป็นพระโสดาบานันถามว่าความเป็นพระโสดาบันของอุบาสกเหล่านั้นได้มาจากไหนก็ถ้าสาวยาวแล้วก็ได้มาจากพระพิสุทั้งนั้นแหละ เ, เพราะฉะนั้นพระพิสุเหล่านั้นถึงท่านจาะเนี่ยท่านก็เป็นเครเรียกว่าอยู่ในกลุ่มอาจารย์อย่างั้นแต่อยู่ในกลุ่มอาจารย์ยาารยเพราะฉะนั้นตัวเองถึงจะได้อภิเสกเป็นพระโสดาบันแล้วเขาเรียกว่าสัจจาภิเสกเนี่ยนะ การเป็นอริยบุคคลเรียกว่าพิเศษเรียกว่าสัจจานพิเศษอภิเษก อ, อภิเษกด้วยความด้วยการแทงตลอดอริยาศาสตร์อริยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวพิเศษบุคคลจากปุถุชนให้เป็นอริยะบุคคลถึงเป็นอริยไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในเพศครหัสก็ยังต้องสมควรที่จะกราบไหว้ น, นะผู้ที่ให้วิชาความรู้เป็นต้นนั่นเองขอถวายพระพรยังมีอีกอย่างหนึ่งขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่า ภูมิภิกษุนี่มีความยิ่งใหญ่มีความภัยบูนภัยบูนก็กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะหาที่หาภูมิคารวะเสมอเหมือนไม่ได้โดยปริยายแม้นี้สรุปว่าอธิบายเหตุผลมาสยาวเลยเนี่ยนะพูดมาชั่วโมงกว่านี่ก็เพื่อจะให้รู้ว่าเออพระภิกษุน่ากราบน่าไหว้ด้วยเหตุเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองขอถวายพระพรคือข้อที่ว่าหากอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบัน กระทำพระอรหันตผลให้แจ้งอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันนั้นจะมีคติสองอย่างคือจะต้องปรินิพพานในวันนั้นแน่อย่างหนึ่งอย่างที่สองถ้าไม่ปรินิพพานก็ต้องเข้าถึงความเป็นพระพิสุอย่างหนึ่งมหาบาพิษการบวชเป็นฐานะที่ไม่หวั่นไหวแปลว่าฐานะที่มั่นคงภูมิของพิสุนี้จึงเป็นภูมิที่ยิ่งใหญ่สูงส่งยิ่งนัก พระราชาบอกพระคุณเจ้าหน้าเกษตปัญหาที่จะต้องใช้กําลังยานตัวท่านผู้มีกําลังมีความรู้ยิ่งได้คลี่คลายแล้วเว้นผู้มีความรู้เช่นท่านแล้วผู้อื่นไม่อาจจะเปลื่องปัญหานี้ได้ น, นะนะมันก็ถ้าพูดแบบทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าไม่ได้เรียนมิลินทปัญหาเนี่ยมาฟังสองคำประโยคเนี่ยของพระเจ้ามิลินเนี่ยจอทั้งหมดแหละใช่ไหมบอกว่า เ อ, อในโลกนี้อะไรนะ่าเคารพที่สุดบอกทำท ำ, ทำเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้อแล้วพระโสดาบาันเข้าถึงโลกุตระธรรมเหล่านั้นทำไมต้องไปกราบไหวภิกษุสัมเณีนที่ยังเป็นปุตุชนยังไม่ได้มีคุณธรรมเช่นตนอันนัถ้าไม่ใช่แบบพระเจ้าอภรากเกษเกษที่แตกฉานในพระตรายปิฎกเข้าใจเรียกว่ารอบรู้ในสมณวิสัยเข้าใจคุณธรรม ความเป็นอยู่ของผู้ที่ประพฤติคุณธรรมทั้งหลายเรียกว่าเยกเยะในความดีความพิเศษของนักบวชที่ยิ่งกว่าคารวาะนะถ้าไม่ฉลาดขนาดนั้นก็พระเจ้ามีลินก็คงไม่ยอมยนะถ้าพระเจ้ามีลินไม่ยอมเราก็คงไม่ได้อ่านเพราะไม่รู้จะจำไม่ทำไมเหมือนกันเดี๋ยวพักสักครู่ฉันฝัง